กราบขอโอกาสจากหลวงพ่อมหาดิเลกนะครับกราบขอโอกาสจากพระ อ, อาจารย์ไพศาลกราบขอโอกาสจากอุบาอาจารทั้งหมดนะครับดังนั้นก็ขอโอกาสจากพวกเราเพื่อนสาธรร ม, มิกนะครับแล้วก็เจริญพรมาพวกเรานะครับแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรม ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อเองก็พูดถึงพวกเราพูดถึงพวกเรามาบ้านเรามาบ้านเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรงนี้ก็เราก็มาอยู่ที่บ้านเราตรงนี้ก็เป็นพี่น้องกันญาติธรรมกันก็ก็อยากจะเล่าเรื่องหลวงพ่อเนาะให้พวกเราฟังเนื่องจากว่า ก็อาจจะพวกเราอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดต่างๆการที่หลวงพ่อป่วยในคราวนี้ก็หลวงพ่อเองก็ช่วยพวกเราจริงๆที่พระจันนท์บอกว่าช่วยดูแลหลวงพ่อจริงๆไม่ใช่หลวงพ่อป่วยหลวงพ่อก็ดูแลพวกเราตลอดเนื่องจากว่าคือความที่หลวงพ่อก็เขาเรียกว่ามีสติสมบูรณ์เนาะ การเคลื่อนไหวของหลวงพ่อจะเป็นการพูดก็ดีจะเป็นการนอนก็ดีจะเป็นอะไรต่างๆนานาก็าดีตรงเนี้มันช่วยให้เราเนี่ยได้กลับมามีสติที่จะเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อได้ทั้งหมดตรงนี้นะอย่างที่เราเคยสวดกันนะมีกาลยานามิตรเนี่ยนะก็เท่ากับาเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมีป้าจันโนดคอยเป็นหลักในการดูแลหลวงพ่ออยู่มีพระอันเนาะจากวัดสมพนัสมีท่านอัจาราต่า ง, างๆน า, นาเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยให้การทำงานประจำวันของพวกเรา ก, ก็เรียกว่าราบลื่นมากๆ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวันวันหนึ่งที่ดําเนินไปดําเนินไปในการดูแลหลวงพ่อก็ถือว่าไม่มีความกดดันไม่มีความกดดันอะไรเนื่องจากว่าทุกอย่างก็เรียกว่าเหตุปัจจัยก็ดีที่สุดเท่าที่จะมีด้วยความที่หลวงพ่อเองก็ได้เขาเรียกว่าอยู่กับการสอนธรรมมานานก็มีผู้คนที่สนับสนุนหลวงพ่อ ทั้งที่เคยรู้จักทั้งที่เพิ่งรู้จักใหม่ 1988, ๆทั้งอะไรต่างๆตรงนี้ก็ช่วยกันเรียกว่าการป่วยของหลวงพ่อครั้งนี้ก็เรียกว่าพวกเราทุกคนเนาะจะเป็นคนที่อยู่ที่เรียกว่าในห้องป่วยของหลวงพ่อหรือจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลต่างจังหวัดไกลๆต่างประเทศหรืออะไรต่างๆตรงนี้แต่ละคนก็ต้องเรียกว่าได้ช่วยกันเต็มที่ได้ช่วยกันเต็มที่ขนาดไหน ขนาะที่ก่อนที่หลวงพ่อจะลาสังขารไป89วันเนี่ยเาเรียกว่าผลการตรวจเลือดของหลวงพ่อซึ่งสแสดงถึงเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายก่อนหลวงพ่อก็เรียกว่าดีดีมากๆดีที่สุดดีในขนาดที่คุณหมอเองก็บอกว่านี่เขาเรียกว่าถ้าไม่ดูชื่อก็เรียกว่าแข็งแรงกว่าคนปกติเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ย เกิดจากอะไรก็เกิดจากเรียกว่าการสนับสนุนจากพวกเราทุกๆคนการสนับสนุนจากคนละเล็กคนละน้อยจะเป็นบางคนสนันสนบสนุนก็เรียกอาหารเสริมก็ดีบางคนก็มียาสมุนไพรก็ดีบางคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่นั่นคือทั้งหมดเนี่ยก็ เ, เป็นก็ เ, เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้หลวงพ่อก็ต่อสู้กับ โรคล้ายเนาะได้มาจนถึงเกือบเจ็ดเดือนโรคนี้ร้ายแค่ไหนเนาะก็ร้ายร้ายมากๆหลวงพ่อเองก็เหมือนกับพอเริ่มเข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่าโกคคราวนี้คงรักษาไม่หายหลวงพ่อก็บอกบอกคํานี้เลยนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยพอหลวงพ่อบอกปุ๊บเนี่ยเราก็หมดเขาเรียกว่าหมดความกดดัน เนื่องจากว่าการดูแลหลวงพ่อก็ไม่ต้องหวังหายนะตรงนี้หลวงพ่อเองก็มีเขาเรียกว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้หวังการรักษาจะทําให้หลวงพ่อหายแล้วก็ทํานองเดียวกันหลวงพ่อก็ไม่ได้บ่นม่าอยากตายนั่นนั่นคือตรงนี้การดําเนินไปวันวันึงวันวันหนึ่งก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ช่วยเรานะเรียกว่าช่วยเราตลอดเวลา การช่วยตรงนี้บางทีญาติโยมก็เขาเรียกว่าอยากที่จะให้ใช้ตัวนั้นบ้างอยากที่จะให้ใช้ตัวนี้บ้างเนี่หลวงพ่อก็จะคอยบอกเราบอกว่าเอาวันนี้เนาะเราใช้ลองอันนี้ดูซิอะไรวันนี้เราลองใช้อันนี้ดูซิตอนนี้เราลองให้หมอแผนปัจจุบันนําหน้าก่อนอะไรต่างๆตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนอย่างที่พระจันทร์นธ์บอกนรา่าคือ งานระยะยาวหลวงพ่อก็วางเอาไว้ะจะเป็นเรียกว่าพินัยกรรมว่าวันนั้นวันนี้จะทําอะไรยังไงอันนั้นหลวงพ่อก็วางเอาไว้เพราะเนื่องจากว่าท่านก็เขาเรียกว่ามีสติสมบูรณ์เนาะท่านก็คงจะมองเห็นว่าการกระทําของท่านตรงนั้นจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นท่านก็เขาเรียกว่ า, วาท่านก็กํากับเอาไว้ทํำนองในการเฉพาะหน้าตรงนี้ท่านก็ช่วยดูแลพวกเรา อย่างมีครั้งหนึ่งตอนที่เขาเรียกว่าเจาะท้องนะเจาะท้องใหม่ๆหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลด้วยกันเขาเรียกว่ากลืนอาหารไม่ได้การกลืนอาหารไม่ได้ก่อนหลวงพ่อก็ต้องใช้เขาเรียกว่าให้อาหารทางสายยางเบื้องต้นก็คือให้อาหารทางสายยางผ่านจมูกลงไปถึงกระเพาะตรงนั้นก็จะใช้เวลา หนึ่งเดือนเต็มเต็มหลังจากนั้นสายก็ไม่สามารถใช้ได้หมดคุณภาพต้องเปลี่ยนทำนองเดียวกันโรคภัยของลุนพ่อก็อยู่ที่ตรงหลอดลมอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าหลอดอาหารเนาะที่อยู่แถวแถวลูกกระเดือบตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจุดตายแต่แรกะฉะนั้นนั่นคือพอเวลาที่ ต้องเปลี่ยนสายเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ช่องทางเดิมเนื่องจากว่าช่องทางตัวนี้อุดแล้วถ้าเกิดว่าดึงสายออกมาจะใส่สายใหม่เข้าไปไม่มีทางนั่นนั่นคือก็ต้องก็เรียกว่าก็ต้องเจาะท้องตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พอเจาะท้องหนึ่งเดือนที่ผ่านมาออออความรู้ความชํานาญที่เราเคยใช้กับการให้อาหารทางสายยางผ่านจมูกก็ต้องวางลง ก็ต้องเรียนรู้กันใหม่ก็ปรากฏว่าพวกเราเองก็ก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้กันใหม่เราก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังจับที่จับทางอะไรต่างๆนานาไม่ถูกหลวงพ่อก็จะคอยนะก็เรียกว่าคอยดูคอยดูตลอดพวกเราจะทําอะไรยังไงบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อย่างเงี้ยหลวงพ่อก็จะเหมือนกับคอยบอกเราว่าเออเช้านี้เนาะน่าจะเป็นอันนั้นอันนี้น่าจะเป็น อาหารเสริมตัวนี้เพื่อที่ว่าบางทีอาจจะทำให้หลวงพ่อถ่ายสะดวกขึ้นอะไรสิ่งต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็คอยแนะนาพวกเราคำแนะนำของหลวงพ่อก็จะเป็นคำแนะนำที่พวกเราก็ทำตามแล้วพวกเราก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจทําลองเดียกันในผ่านไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะปรากฏว่าเราก็ ให้ก็เรียกว่าอาหารเสริมอะไรนต่างๆของหลวงพ่อตามปกติแต่ปรากฏว่าความผิดปกติก็เกิดขึ้นสายอาหารก็ตันเนี่ยพรอสายอาหารตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิพวกเราสักนิดเดียวนะเดี๋ยวนะก็หลวงพ่อก็เรียกว่าอืมสายตันก็ยอมรับนะสายตันแล้วก็เหมือนกับ หาวิธีการช่วยคุณหมอที่เข้ามาช่วยอะไรต่างๆหลวงพ่อก็ยังบอกนะว่าโอ้นี่ต้องขออภัยนะเนื่องจากว่าพวกคนที่ดูแลเนี่ยก็เหมือนกับคล้ายๆว่าไ ม, ม่เหมือนกับอ่อนประสบะการณ์เนี่ยทำให้เกิดปัญหาหลาวงพ่อก็เหมือนกับทำตัวเป็นพวกเรานะแล้วก็ขอโทษคุณหมอให้พวกเราด้วยนะตรงนี้ก็ทำให้พวกเราก็เหมือนกับการดูแล การดูแลหลวงพ่อก็เหมือนกับจริงๆก็อย่างที่บอกไม่ใช่ดูแลหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ดูแลพวกเราตลอดอย่างเนี้ยหรือว่าในการให้อาหารทางสายยางเนี่ยมันก็จะมี้าเรียกว่าข้อจํากัดมากๆเนื่องจากว่าสายยางขนาดเล็กมากๆเนาะอาหารที่จะเข้าไปเนี่ยต้องเรียกว่าถ้า หยาบสักนิดหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่ามีปัญหากันเลยเพราะนั้นนั่นคือการให้อาหารทางสายยางหลายวันแล้วก็จะมีปัญหาการติดขัดบ้างอะไรต่างๆนานาหล่านี้บ้างหลวงพ่อก็จะเหมือนกับช่วยเสนอทางแก้ไขนะก็ทําอย่างนั้นบ้างทําอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆหลวงพ่อก็จะเอาอันนี้อย่างนี้แบบนี้ไม่น่าใช้ได้อะไรต่างๆนานาก็ หลวงพ่อก็บอกห้ามพวกเราอันนี้ยังก่อนใสอันนั้นเข้ามาก่อนใสอันนี้เข้ามาก่อนช่วยกันแก้ปัญหาตรงเนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่พวกเราดูแลหลวงพ่อหลวงพ่อก็ดูแลพวกเรากันตลอดเวลาก็เป็นความต้องเรียกว่าเป็นความสนุกสนานเนาะเป็นการสนุกสนานความเจ็บป่วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนป่วย แต่ก็เหมือนกับว่าณวันนี้มีข้อจำกัดแบบนี้นะสามารถที่จะทำอะไรได้ต่างๆตามที่เขาเรียกว่าธรรมชาติเขากำหนดไว้ให้อย่างหลวงพ่อเป็นคนที่เคลื่อนไหวตลอดเนี่ยพอเขาเรียกว่าต้องนอนโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยคำว่านอนโรงพยาบาล น, นี่คือนอนจริงๆนะนอนจริงๆ นอนวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักยีบสามชั่วโมงจะมีโอกาสลุกขึ้นมาเพื่อเข้าห้องน้ำบ้างออกกำลังบ้างหรืออะไรต่างๆนานานิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็อย่างมากกรวมๆกันไม่ถึงชั่วโมงหรือเอาให้ไปเลยหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเจเดือนตลอดมาหลวงพ่อจะนอนขนาดนี้เนาะโอกาสที่จะลุกนั่งบ้างหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้บ้างก็ ไม่สะดวกนะเนื่องจากว่าอาจจะมีสายยางบ้างอาจจะมีอนุนอันนี้บ้างต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแต่ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็อยู่เนาะอยู่ได้และสิ่งที่เราเห็นก็คือหลวงพ่ออยู่กับอะไรอยู่กับกรรมฐานหลวงพ่ออยู่กับกรรมฐานกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนาะหลวงพ่อจะอยู่กับการเคลื่อนไหวเท่าที่หลวงพ่อสามารถทาไดนะ้แล้วก็สิ่งที่เห็นเนาะ ไม่เคยขาดสายตาก็คือหลวงพ่อก็จะสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเท่าที่เขาเรียกว่าโอกาสอำนวยเนะเท่าที่หลวงพ่อจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสามารถที่จะทำได้ณขณะนั้นๆอย่างก็จะมีญาติโยมที่มาเยี่ยมหลวงพ่อที่ที่นี่ที่ผัวทองในช่วงเดือนเมษาช่วงสงกราน ก็มาบอกว่าโอ้หลวงพ่อเหมือนกับคนไม่ป่วยเลยนะนอนกระดิกเท้าสบายๆอย่างเงี้ยคืนนี้คือหลวงพ่อกำลังอะไรหลวงพ่อกำลังสร้างความเคลื่อนไหวผ่านนิ้วเท้านะที่กระดิกตรงนั้นหมายความว่าการนอนเนี่ยไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้แล้วงนั้นหลวงพ่อก็หาเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆเราก็มองว่าหลวงพ่อก็สบายจริงๆ หลวงพ่อพก็สบายจริงๆหลวงพ่อพก็ไม่ได้ทุกข์กับการที่โอ้ลุกไปไหนไม่ได้การที่มีเสมหะตลอดการที่ต้องไอตลอดเวลาอะไรต่างๆนานานเหล่านี้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นภาพที่เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนาะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะต้องเรียกว่าหลวงพ่อไอ แล้วก็การไอของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเป็นการไอเนื่องจากว่ามีการผ่าตัดผ่าตัดคอเพอผ่าตัดช่องคอเพื่อช่วยหายใจสิ่งที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่อช่วยหายใจซึ่งก็ใหญ่ประมาณนิ้วนะขนาดเนี้ยที่ใส่เข้าไปในลําคอพอสิ่งที่เขาเรียกว่าแปลกปลอมใส่เข้าไปในร่างกายร่างกายก็ต้องสร้างปฏิกิริยาขึ้นมาตรงเนี้ย สร้างเขาเรียกว่าไม่ใช่สร้างปฏิกิริยาขึ้นมาก็มีปฏิกิริยาที่จะต่อต้านนะด้วยการที่เหมือนกับสร้างเสมหะขึ้นมาเพื่อขับไอตัวที่ใสเข้ามาในลําคอตรงนี้หลวงพ่อก็จะเหมือนกับมีเสมหะก่อนหน้านี้หลวงพ่อจะไม่ไม่เป็นคนที่มีเสมหะนะอย่างเวลานอนกับหลวงพ่ อ, อตั้งแต่ ปี2549เป็นต้นมานี่หลวงพ่อกลนนับครั้งได้ต้องเรียกว่าการกลนหมายถึงว่าระบบหายใจอาจจะมีอะไรที่ติดขัดนะนั่นนึ่งคือต้องเรียกว่ามีก่อนหน้าเข้าลงพยาบาลเนี่ยในช่วงต้นต้นเดือนมกราเล็กเล็กน้อยน้อยไม่กี่วั น, นตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าพอผ่าตัดปุ๊บเนี่ยโอ้เสพมห์เยอะแยะไปหมดเลยนะหลวงพ่อจะต้องแกแอมกะไอเนี่ย มันหนึ่งต้องเรียกว่าเกือบไม่มีเวลาหยุดต้องเรียกว่าเกือบไม่มีเวลาตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญก็คือณณนะนะตอนที่แบบผ่าตัดเนาะผ่าตัดคอไปได้สักพักหนึ่งพอเหมือนกับแผลเพิ่งจะหายไม่กี่วันเนาะถ้าจำไม่ผิดก็เจ็ดวันสิบวันอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อก็ต้อง เจาะท้องเพื่อเพื่อเปลี่ยนสายเพราะว่าครบเดือนหลวงพ่อพาตัด่าตัดคอตอนวันที่ยี่สิบหมีนาแล้วก็เจาะหน้าท้องเนี่ยน่าจะช่วงประมาณวันที่เดือนหนึ่งก็คือวันที่สี่มีนาหรือว่าอาจจะหลังจากนั้นไปนสักหน่อยจำไม่ได้แล้วละ่ะแต่ว่านั่นคือพวกเราเคยเคยสังเกตการไอของเราไหมว่า ในขณะที่เราไอครั้งหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยจะทำงานอย่างมากเวลาที่เราไอเนาะจะมีก็เรียกว่าพวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนานา น, านั้นจะเชื่อมโยงกันอย่างแรงเพราะฉะนั้นนั่นคือคืนวันนั้นเนี่ยวันที่หลวงพ่อเริ่มก็เรียกว่าเริ่มเจาะหน้าท้องเนี่ยหลวงพ่อจะอ หลวงพ่อจะไอเขาเรียกว่าไอแบบเรียกว่าไม่มีเสียงหลวงพ่อจะแบบทั้งคืนคืนนั้นนหะลวงพ่อจะแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าก็พยายามช่วยตัวเองอย่างที่สุดนะก็พยายามช่วยร่างกายไม่ให้ร่างกายมันทุกข์เกินไปกว่าก็ต้องเรียกว่าโอ้โหเรามองเห็นเรามองเห็นความพยายามของหลวงพ่อตัวนี้เนี่ย เป็นความพยายามที่สูงสูงจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ทํานองเดียวกันเนี่ยเราก็นึกถึงคําสอนของหลวงพ่อนะว่าถ้าเรารับผิดชอบตัวเองไม่ให้ทุกข์ได้เนี่ยเราก็จะทําให้คนอื่นรอบข้างไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือหลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าถ้าหลวงพ่อไอเนี่ยก็เรียกว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันก็จะมากขึ้น แต่ทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ไอก็ไม่ได้เราก็มองเห็นนะหลวงพ่อแบบอืมเขาเรียกอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับกิริยาท่าทางอันใดอันหนึ่งเพื่อช่วยไม่ให้ตัวเองไอยเนี่ยยางเรียกว่าอืมทำได้ยังไงทาได้ยังไงตรงนี้ก็เรียกว่าเราเห็นนะความละเอียด ของหลวงพ่อเนี่ยผ่านการดูแลตัวเองตลอดเวลาอย่างในช่วงที่ใสาสายยางให้อาหารทางจมูกเนี่ยเราเหมือนกับเวลาที่มีอะไรที่เข้าจมูกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะจามกันเนาะใช่ไอย่างนั้นะแต่อันนี้เนี่ยสายยางทั้งเส้นนะฮะแย่เข้าไปในจมูกเนี่ยพวกเราคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลวงพ่อเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะลองค้นหาดูว่า ในการที่เส้นอันนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่กับเราต่อไปเป็นอวัยวะที่สามสิบสามเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราจะอยู่อย่างไงกับไอ้เส้นเส้นนี้เนี่ยแบบไม่ถุกเพราะนั้นนั่นคือหลวงพ่อก็จะแบบว่าลองขยับเนาะการขยับก่อนหลวงาพ่อเนี่ยก็ไม่ใช่ขยับเดี๋ยวดาวนะแต่ว่าขยับแล้วก็จับเอาไว้ในหลายหลยชั่วโมงเพื่อทดสอบว่ามุมนี้จะทำให้แบบว่า เกิดการระคายในช่องจมูกน้อยลงไหมอะไรต่างๆนานาเลยท้ายสุดหลวงพ่อก็ได้พบว่าวิธีการเนี่ยก็คือแบบว่าพาดเอาไว้กับหูเอาสายนะฮะสายที่เลกสายเอ็นจีะฮะพาดไว้กับหูการพาดไว้กับหูก็ทำให้เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเขาเบี่ยงเบี่ยงออกมาด้านข้างๆ ท้ายที่สุดหลวงพ่อก็บอกให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยปิดพลาสเตอร์เอาไว้ธรรมดาเขาก็จะปิดพลาสเตอร์ที่เหมือนกับว่าออกมาจากจมูกปุ๊บเาก็จะมาปิดนะปิดเพื่อไม่ให้มันขยับตรงนี้แต่ว่าตรงนั้นก็คือการที่ทางเจ้าหน้าที่ทางพยาบาลทางคุณหมอปิด อันนั้นก็อาจจะหมายถึงว่าปิดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอะไรต่างๆนานาแต่หลวงพ่อหาวิธีการที่ทำยังไงให้มันไม่เกิดการกระทบกระเทือนกับร่างกายเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเห็นนะว่าเห็นหลวงพ่อคิดค้นนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็ต้องรับผิดชอบเนื่องจากนี่เป็นอวัยวะอวัยวะใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา นะแล้วก็เป็นอวัยวะที่หลวงพ่อก็จะต้องอยู่กับเขาไปอีกนานหลายเดือนนั่นก็คือตรงนี้ก็หลวงพ่อก็จะคิดค้นตํานองเดียวกันเราก็จะเห็นพาจริญโน้ตเนาะก็จะหาข้อมูลความเจ็บป่วยของหลวงพ่อนะแบบก็ใช้เครื่องมือจะเป็นพวกข้อมูลในเว็บต่างๆ พระอาจารย์นต์ก็จะอ่อนี่ตอนนี้อาการของหลวงพเป็นอย่างนี้แบบนี้แบบนี้นี่เราจะทำยังไงกันอาการของโรคแบบนี้จะเป็นอาการที่ือเริ่มต้นจบลงมีวิธีการรักษาต่างๆนานาังพวกนี้ยังไงแล้วก็เวลาที่เรา เหมือนกับได้ข้อมูลพวกนี้เราก็จะคอยรายงานนะให้หลวงพ่อทราบเป็นระย ะ, ะยะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเรารายงาน100เปอร์เซ็นต์เท่าที่เราทราบแต่ว่าก็รายงานเท่าที่จําเป็นรายงานเท่าที่หลวงพ่อน่าจะรับรู้แล้วก็มีส่วนในการตัดสินใจในการรักษาซึ่งนั่นก็คือทำให้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นช่วงเวลาประมาณ2เดือน ท้ายที่สุดตรงนี้ก็เราก็พึ่งลงพยาบาลสองเดือนเนาะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาเนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่ว่ากโกรธกับโรงพยาบาลหรือว่าตัดขาดจากโรงพยาบาลแต่ว่าการออกมาก็คือการที่หลวงพ่อก็เคยตอบคุณหมอที่คุณหมอถามหลวงพ่อว่าอยู่ที่นี่ขาดอะไรบ้าง <c oughs> อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย ก็คุณหมอก็ดูแลหลวงพ่อดีมากๆนะฮะเราก็อยู่ห้องพิเศษอะไรต่างๆหลวงพ่อตอบยังไงมีใครทายได้หลวงพ่อตอบว่าขาดพระอาทิตย์ขาดต้นไม้คือทุกอย่างที่คุณหมอให้ก็ครบท่วนดีนะฮะการดูแลแล้ษามไม่มีขาดตกบกพร่องแต่สิ่งที่ขาดจริงๆก็คือธรรมชาติเนาะพระอาทิตย์ ก็เห็นแสงวันละเล็กวันละน้อยที่โรงพยาบาลจุฬามีพื้นที่ไม่มากเพราะนั้นนึงคือตรงนี้ก็จะมีตึกสูงแข่งกันขึ้นมาวันนึงจะเห็นนองเล็กเห็นแดดสักแวบห น, นึ่งนะอย่างเงี้ยแค่นั้นเองต้นไม้ไม่ต้องพูดถึงไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นนัคือตรงเนี้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็มองว่าถ้าเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะ ต้องอาศัยแบบว่าเพียงแค่การวัดความดันการวัดประลอดบ้างอะไรต่ตางๆตรงนั้นก็ต้องเรียกว่าเรากลับมาตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วก็การที่เรากลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลเอ้ยกลับมาอยู่ที่ที่วัดจะเป็นวัดทุกขขาวทองก็ดีหรือว่าจะเป็นที่สุขโตก็ดีเนี่ย ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ท้ายที่สุดหลวงพ่อก็ขอเลือกกลับมาที่วัดประกอทองซึ่งตรงนั้นเราก็เหมือนกับว่าได้เตรียมพื้นที่ต่างๆทํานองเดียวกันตรงที่พอกลับมาจากวัดประกอทองคุณหมอพยาบาลที่อยู่รอบๆตรงนี้ก็ไม่เคยทอดทิ้งหลวงพ่อเขาขึ้นมาเยี่ยมกันต้องเรียกว่าเยี่ยมกัน ถ้าเทียบเนอะก็เหมือนกันเราอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอก็สองสามวันมาเยี่ยมทีหนึ่งพ no ยาบาลก็จะมาวัดความดันบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาเหล่านี้ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อาทิตย์หนึ่งก็จะมีหัวหน้าพยาบาลบ้างมาทักทายมาอะไรต่างๆนานาตรงนี้ก็เหมือนกันเนอะเดี๋ยวก็มีหัวหน้าพยาบาลจากแกล้งคร้อมาทักทายหลวงพ่อเดี๋ยวก็มีหัวหน้าพยาบาลจาก โรงพยาบาลชัยภูมิมาทักทายหลงพ่อตรงนี้ก็เป็นเราก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นห้องพิเศษที่พิเศษพิเศษมากๆเนาะถ้าเทียบกับในโรงพยาบาลแต่ว่าที่พิเศษมากกว่า น, นั้นก็คือหลวงพ่อก็จะมีต้นไม้เนาะมีพระอาทิตย์ให้ได้เห็นตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็เลือกกลับมาตำนองเดียวกันพวกวิตามินพวกอาหารเสริมจาก ก็เรียกว่าญาติธรรมต่างๆที่ส่งเข้ามาเราก็เรียกว่าวันหนึ่งก็ต้องจัดสรร น, นะเนื่องจากว่าถ้าใช้ทั้งหมดเนี่ยคงหลวงพ่อแบบคงจะลาบากแน่ๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเหมือนกับเราก็เราก็ลองดูโอ้อันนี้นะตอนนี้หลวงพ่อควรจะใช้อันนี้ เนื่องจากว่าหลวงพ่ออาจจะมีอาการเสมหะมากยาตรงนี้อาหารเสริมตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยหลวงพ่ออะไรต่างๆนานาเรานก็คิดเล็กๆน้อยๆนะเท่าที่เราสามารถคิดได้แล้วก็สิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสริมเติมเข้ามาพวกเราอาจจะทำให้ทราบว่าความเจ็บป่วยในเจ็ดเดือนเนี่ยหลวงพ่อนับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล เป็นต้นมานี่ต้องเรียกว่าน้ำหนักของหลวงพอ่อคงที่มากๆก็เรียกว่าจะเกิดชึ่งจากอะไรก็เกิดชึ่งอาหารอาหารเสริมอะไรต่างๆนาน า, นาที่เหมือนกับว่าหลวงพ่อได้รับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายหลวงพ่อก็แข็งแรงแต่ว่าตรงนั้นโรไภัยไข้เจ็บก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในขณะที่เราดูแลหลวงพอ่อมาเป็นระยะระยะ นกภายแค่เจ็บเขาก็ไม่ได้หยุดยั้ยงตรงนั้นเขาก็ก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเนื่องจากว่าร่างกายหลวงพ่อก็ดูเหมือนกับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกเราก็ดูแลหลวงพ่อก็จะยากยากตรงที่ว่าหลวงพ่อจะไม่แสดงออกนะว่าความเจ็บความปวดหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ต้องเรียกว่า สังเกตนะหลวงพ่อเคยบอกนะพวกเราอันนี้ตั้งแต่บอกตั้งแต่ขาที่แล้วก็จําเอาไว้ก็คือพวกเราต้องบริหารคนป่วยอย่าให้อย่าให้หลวงพ่อต้องบอกว่าต้องทําอะไรบางอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพวกเราก็ต้องสังเกตเอาเองนะเรียกว่าตอนนี้หลวงพ่อควรจะต้องทําอะไรต่างๆ ต, ต้องเรียกว่าสังเกตเอาหลวงพ่อมีอาการแบบนี้ยิ่งในขณะที่ตอนหลังๆ หลังจากเจาะพอเป็นต้นมาเนี่ยหลวงพ่อไม่สามารถพูดกับเราได้เนี่ยการที่จะสื่อสารกับหลวงพ่อด้วยการเขียนก็ไม่ใช่ง่ายนักเนื่องจากว่าบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าการเขียนหนังสือให้หลวงพ่ออ่านก็เป็นภาระนั่นัคือการที่จะดูแล้วก็คิดเอาเนาะแล้วก็ดูแลหลวงพ่อตามตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากหลวงพ่อเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่ง อะไรก็ตามที่เรียกว่าแผลมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้นะไม่ใช่พูดนะหลวงพ่อก็เขียนแต่ว่า หลวงพ่อก็ไม่เคยแสดงอาการเจ็บปวดให้เราเห็นอย่างเดียวนะอย่างนั้นว่าแต่ว่านั่นคือเราก็อาจจะสังเกตว่าอ๋าหลวงพ่อมีการไอที่ถี่ขึ้นเราควรจะต้องทำยังไงอะไรไงดีตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราก็สังเกตช่วงนี้เนอะวัดออกซิเจนแล้วหลวงพ่อออกซิเจนต่ำสักหน่อยออควรจะต้องให้ออกซิเจนก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าข้ออุปกรณ์พวกนี้ที่มัดก็จะมี ก็เรียกว่ามีอย่างพร้อมเพลียงเนื่องจากว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้รับการหยิบยื่นมาจากก็เรียกว่าญาติธรรมที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรอบข้างเยอะแยะไปหมดนะทุกอย่างเรื่องเรียกว่ามีพร้อมนะแล้วเราก็นึกอยู่ในใจอันนี้ไม่ได้บอกหลวงพ่อนะว่าของที่มีมีอยู่พวกนี้เนี่ยก็รอเอาไปใช้ในโอกาสที่เหมาะสมวันนี้เราจะเลือกใช้อะไรให้กับหลวงพ่อก็ ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดมากคิดหมายเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมมาไหมเพื่อให้หลวงพ่อได้ใช้เพียงแต่ว่าบางโอกาสก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเครื่องที่ต้องใช้อันหนึ่งที่หลังจากการเจาะคอก็คือเครื่องดูดเสมหะ อันนี้ก็ญาติธรรมก็ได้หามามีเครื่องดูดเสมหะเรียบร้อยอะไรต่างแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้ใช้นะทางโรงพยาบาลก็หามาให้เส้นพว ก, ก็เรียกว่าสายยางสำหรับการดูดเสมหะอะไรเยอะๆไปหมดเนาะนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าตรงนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมหลวงพ่อไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วถ้าหลวงพ่อเป็นก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ได้ตลอด อย่างเครื่องออกซิเจนก็จะเป็นเครื่องออกซิเจนที่เรามีทั้งถังออกซิเจนปกติเนาะที่เป็นถังถังออกซิเจนอัดออกซิเจนหรือว่าอีกอันนึงก็คือจะเป็นออกซิเจนที่เราใช้กับเขาเรียกว่าสายไฟเนาะไม่ไม่ใช่สายไฟระบบไฟฟ้าเสียบปุ๊บก็ได้ออกซิเจนตลอดเวลา ตรงนั้นเราก็เลือกใช้เนาะตามสะดวกตอนกลางคืนเราจะเปลี่ยนถังออกซิเจนโอถังหนึ่งนี่ไม่รู้หนักเท่าไหร่นะจะเปลี่ยนก็ยากเพราะนั่นนั่นคือเราก็เลือกกลางวันใช้ถังออกซิเจนปกติกลางคืนใช้แบบออกไฟฟ้าหรูหรามากนะฮะนั้นตรงนี้ก็คือก็อยากให้พวกเราได้รู้ว่าหลวงพ่อป่วยคราวนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆด้านเนาะ ได้รับการสนับสนุนจากทุกคนอย่างเต็มที่ก็ตรงนี้ก็ก็ต้องเขาเรียกว่าอนุโมทนากับทุกๆคนนะอนุโมทนากับคุณหมอทุกคนอนุโมทนากับพยาบาลทุกๆ ท, ท่านอนุโมทนากับญาติธรรมทุกๆคนที่ช่วยกันให้หลวงพ่อเนี่ย ได้มีชีวิตสุขสบายมาจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายตรงนี้ก็ต้องเาเรียกว่าก็ขออนุมโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนที่ได้ดูแลหลวงพ่ออย่างเต็มที่ไม่ใช่พวกเราพระสองสาคนที่ดูแลกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นตัวแทนของญาติโยมที่ช่วยก็เรียกว่า อ, อำนวยความสะดวกให้กับหลวงพ่อแล้วก็สิ่งที่พวกเรามอบให้ก็คือทำยังไง ความเจ็บป่วยคราวนี้หลวงพ่อจะไม่เขาเรียกว่าลำบากกับธาตุขันของหลวงพ่อจนเกินไปหลวงพ่อไม่ได้ทุกข์มากไปกว่าเขาเรียกว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้ก็เท่าที่ดูเจ็ดเดือนที่ผ่านมา ความปรารถนาดีของพวกเราก็ประสบความสําเร็จทุกคนแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรที่เราจะยื้ได้นะเกิดมาก็ต้องตายเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ล่วงลับไปแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่ก็คือหลวงพ่อก็จะอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนคําสอนของหลวงพ่อก็จะอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนแล้วก็การที่พวกเราจะฝึกเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆ อ, อย่างที่หลวงพ่อบอกเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ใช่ว่าตายไปกับตัวหลวงพ่อแล้วก็ตรงนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยก็ได้เพียรที่จะปึกกันเพราะว่าการที่ก็เรียกว่าการหลวงพ่อล่วงลับไปตรงนี้หลวงพ่อก็ได้เห็นนะ เรียกว่าคำสอนของอหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ทำทุกขณะเนาะเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้ถ้าพวกเราอยากไปดีอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ขอให้พวกเราได้ฝึกกันแล้วก็ตรงนี้พวกเราก็จะมีหลวงพ่ออยู่ข้างพวกเราตลอดไป